210. วะระยาจนะกะถาว่าด้วยหมอชีวกโกมารพัฒกราบทูลขอพรอน 337. ต่อมาไม่นานนักพระผู้มีพระภาคทรงมีพระบรกายเป็นปกติครั้งนั้นชีวกโกมารพัฒจึงถือผ้าสีวัยกะคู่หนึ่ง เข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าพระองค์ทูลขอพร อ, อย่างหนึ่งกับพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าตถาคตทั้งหลายเลิกให้พรเสียแล้วชีวกชีวกโกมารพัทกราบทูลว่า ข้าพระองค์ทูลขอพรที่เหมาะสมและไม่มีโทษพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคกรัดว่าจงพูดมาเถิดชีวกเรื่องทรงรับคู่ผ้าสิวัยกะชีวกโกมารพัทกราบทูลว่าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ถือผ้าบางสุกุลอยู่เป็นวัดผ้าสิวัยกะคู่นี้ เป็นผ้าเนื้อดีเลิศประเสริฐสุดมีชื่อเด่นเยี่ยมกว่าคู่ผ้าเป็นอันมากหลายร้อยหลายพันหลายแสนคู่พระเจ้าปัดโชตทรงส่งมาพระราชทานพระองค์ปโปรดรับผ้าสิวัยกะคู่หนึ่งของข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าข้าและปโปรดทรงอนุญาตขหาบดีจีวรแก่ภิกษุสงฆ์ พระผู้มีพระภาคทรงรับผ้าสิวอยกะแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ชีวโกมารพัฒเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาหานแกล้ า, ลาปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นชีวโกมารพัฒ ผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้ า, ลาปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีกระถาแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไป